ต่อพระเจ้าประเสริฐที่โกรสฝุ่นท่านดูเลยัาย่านท่านจะาดูเส้นสายเนี่ยประเสริฐยปกากะเขาสายที่บริสุทธิ์กว่าสูงกว่าพระเจ้าประเสริฐนะไม่บริสุทธิ์ไปทางสายเลือดแต่ว่าโดยอํานาจการปกครองโดยแันญานุภาพท่านเหนือกว่านันก็คอลลกไปแต่ว่าเมื่อเรามาบวชระว่ังนั้นเมื่อเรามาบวชแล้ว พระเจ้าบัเสฑิตโกศลซึ่งอายุเท่ากันอะไรหลายอย่างเท่ากันแต่ว่าอาดีตความยิ่งใหญ่ของท่านในันเคยดีเด่นกว่าพระโอมาก่อนกลับต้องมาทําความเคารพอย่างยิ่งในเราจะถามว่นั่นน่ะเพราะอะไรปัำถามว่านั่นเพราะอะไรเพราะคุณธรรมตลอดเราคุณธรรมอันนี้ก็เป็น เป็นตัวอย่างในกรณีอย่างหนึ่งแหละเมื่อาถามอย่างนี้ประวาทีถึงยอมรับว่าใชา่เป็นยอดด้วยพระคุณนะครมอย่างนี้เราก็เลยสรุปว่าถ้ายอย่างนั้นทุกคนจะต้องกล่าวว่าถวายทานรุญียามีผลมากกสิมีงแง่หนึ่งนะครับแต่ที่อีกแง่หนึ่งที่มีพุทธพจน์ยืนยันไว้เป็นอวบเป็นแง่เฉพาะ เรียกว่าเมือ่อนเป็นหลักกว้างๆยอดคนนะนี่คาว่าอาหูเนยโยที่เราสวดกระดูดีสังก็คุณว่าอาหูเนยโยปาหูเนยโยทันนยยกกินเนยโยมันจะรียกันเนโยคําว่าอาหูเนยโยที่นั้นหมายถึงเป็นคู่ควรแก่ของบูชาของที่เขานามาบูชาคําว่าบูชานี่ จะหมายถึงของดอกไม้ทุดเคียนหรอของบริโภคอะไรก็ได้ที่ทํามาไม่ใช่ให้แบบธรรมดาให้ในลักษณะที่บูชาแบบเราถวายสงฆ์เนี่ยมันเจริงเราถวายสงฆ์เนี่ยมีหลายแบบนะครับให้กระว่งบุญอุทิศแกยายาย่ญาติหรือท่านเป็นญา้ิแห่งทักษิณาเนะถ้าเราจะถวายท่านเพื่อเํานใจถึงคุณของท่านก็เราเล็งในแง่ของปลาหูนเลยอยู่ อ่อย่างเราถวายจ้าเสร็จแล้วเราต้องไหวอย่างนี้ครับด้วยความรู้สึกอย่างนี้ด้วยถึงเราจะมีความหวังบุญปณ์มาด้วยก็ไม่แปล ก, ก็เรียกว่าได้ทุกอย่างสมควรทุกอย่างอันนี้ในอาหูเนยยะบุคคลองคเจ้า ก, ก็ทรงรแสดงไว้ท่านบอกว่าพ่อแม่ก็เป็นอาหูเนยยะแปลว่าเปเรียกว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นไฟอย่างหนึ่งที่คนควรจะบูชาใช่ไหมครับว่าไฟอย่างนั้นนะ ข้าหาบอดีข้าหาปัต่อปัดขาหะไรอยู่ข้าหบอดีที่เปรียบเหมืนอนฝันที่เราควรจะบูชาพอมีแล้วก็ทักทีเนยะบุคคลคือพระสงฆ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นยอดแทนเป็นอาหุเนยะบุคคลในบรรดากลุ่มอาหุเยะบุคคลที่เป็นอาหุเนยยะนั้นก็ยังมียอดที่ถือว่ายอดก็คือพระพุทธเจ้าอันนี้ถือว่าเป็นยอด ในบรรดาอาคุณเนญญที่วามมาเป็นเช่นนี้เชนการเชนเดินทางสินชานพระด้วยกันพระพุทธเจ้าก็เป็นยอดของอาคุณญาติในระดับของพระดังที่ได้กล่าวมาแล้วในสูตรที่วามาเราจรได้ถามข้อสามว่าใครๆที่เสมอเหมือนพระพุทธเจ้าโดยสินสมาธิปัญญามีอยู่หรือไม่มีใช่ไหมครับอย่างที่เราพูดไปนะครับว่าโดยพระปัญญาญาณ ก็ทรงมียานสั ง, งวนไว้เฉพาะพระองค์คืออาสาทันหนาหยาไใ่มีใครมีสิทจะมียานปกย่างนี้ได้แต่นี่ในแง่ของอย่างศีนก็เหมือนกันสมาธิก็เหมือนกันแต่อาจจะสงสัยข ใ, ในแง่ของศีนท่านท่านเครได้ยินมาบ้างไหมครัว่าคนที่ถือคล้ายว่าเป็นศีลพิเศษสงเคราะห์เป็นศีลพิเศษ ที่แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ถืออย่างนั้นคือธุดงควัมีอยู่องค์ที่ท่านเป็นเลิอทางธุดงเป็นพุทธวาทะคือพระมาหากัสสปะธุดงเนี่ยหรือว่าที่ถือได้มากเท่าไหร่ในดิาข้อนี่ท่านถือเต็มทนั้นละที่ผมพูดว่าถือได้เท่าไหร่เพราะบางข้อมันถือข้อหนึ่งแล้วอีกข้อถือไม่ได้ อย่างเข็นถืออยู่กลางแก้งก็ถืออยู่ลข้อมูลนี่จะไปถือสองอย่างที่เจ้ากันไม่ไดน้นบางคนเขาเกลี่ยแต่งตำราคุยบอกอาจาใจแค่นี้ทุต้องมีดีข้อถือหมดเลยแต่คงจะลืมเทียบไปอาจจะเคยอา่านว่าแต่ว่าลืมเทียบหรืออาจะเคยรู้ก็ได้บางคนถือบมดุข้อติดสามข้อถือหมดลืมไม่ไปว่าบางข้อนี่มันมันขัดกันขัดกันอคือจะถืออันหนึ่งแล้วก็อันนั้นก็ถือไม่ได้ ลืมนึกไปก็เลยเบลอไปหน่อยซึ่งพระพุทธเจ้าเองท่านไม่ได้ถืออย่างพระมหาคัตตปะแม้พระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็เหมือนกันก็ยังเคยมีทรงสรรเสริญภ า, าวกที่มีลักษณะเหมือนพระมหาคัตตาปะเนี่ยก็ได้ถืออย่างนี้แม้เราเองก็ไม่ได้ถืออย่างนั้นถ้าอย่างนี้แล้วก็แสดงว่ามีบางคนใช่หรือไม่ที่มีศีล เนื้อขวาเระบุติเจ้าเราเราส่งเคราะเป็นจรรนะก่อนจริงเนี่ยศีลเนี่ยมันคาบเกี่ยวไปเลยเลยไปถึงปัญญาก็มีนะแต่ว่าตรงนี้มันไม่เป็นปัญหาจะส่งเคราะเป็นเป็นคือศีลมันมีหลายแง่ศีลมีหลายแง่ศีลเนี่ยเลยไปถึงปัญญาก็มีนะ ทีนี้ตรงนี้ไม่มีปัญหาเราจะว่าพูดเป็นแง่ไหนก็าตามแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าพระพุทธเจ้ามาได้ถือเต็มรูกใช่ไหมครับแต่ไม่รู้ว่าเราจะไม่ใส่ในข้อศีลข้อสมาธิข้อปัญญามันก็มีข้อที่จะต้องสงสัยว่าพระพุทธเจ้ายังแพ้ภตาวลกในบางอย่างหรือซึ่งก็ตรงบางองค์กระทรงรับอย่างนั้นจะหมายความว่าอย่างไงและในที่นี้จะไม่เป็นการ แต่ดูดีพระพุติช้าวนี่ว่าจนเกินดีไปแล้วอตอบบอกไม่คือการที่คนจะพระพุติจ้าท่านจะทําอะไรเนี่ยบางทีท่านไม่ได้ทําเพราะเพื่อคุณธรรมอย่างนั้นความจริงท่านเนี่ยท่านทําเรีย่ยวกับจะถ้ามีธุรงมากกว่านั้นท่านก็ทําได้มากกว่านั้นกนน็ในตัวความสามารถท่านเองนะ ในแง่ขีความสามารถอันเป็นคุณชาติภายในแต่ที่ท่านไม่ถืออย่างนั้นนะเพื่ออะไรครับลุงครับเพื่อตัวท่านเองหรือเพราะทําไม่ได้หรือเพราะกลัวเสียหน้าหรืออะไรอย่างอื่นเพราะต้องการจะ อ, น, อนุกรรโคนเข้าจไครับอย่างเช่นถ้าท่านไปถือเอาแต่ผ้าชักบางสกูลไม่รับอดิเหกกีวรคนที่เขาหวังบุญกับท่านตั้งเยอะแยะแล้วท่านในฐานะที่เรียกว่า เป็นประธานสถาบันสถาบันศาสนาที่เป็นเรียกว่าประธานก็นคุยไว้แล้วเนี่ครับว่าปาซีบุคลท่านเป็นเลอรบอกคุยไว้แล้วอย่างดีวันเลิศๆ น, เนะเขาจะมาทําบุญนุนทานทั้นเกิดจะไม่หลับแหมก็ เ, เรียกว่าไม่ได้อนุเคราะห์เขาละหลายองค์เนี่ยบางทีท่านก็ปลาลบอย่างนี้ท่านอยากอนุเคราะห์คนใช่ไหมครับอยากอนุเคราะห์คนท่านจริงต้องรับ จากคนนั้นคนนี้เกินพอดีและบางทีก็ต้องรับเพื่อสงเคราะห์โยมถ้าโดยนิสัยท่านเนี่ยนิจเจอทา่านกบพอแล้วใช่ไหมแต่บางทีท่านก็ต้องงรับไม่ใช่เพื่อกระเพาะของท่านแต่เพื่อโยมอันนี้จึงเป็นเหตุผลไม่ไม่ใช่ข้อแม้ทางกิจความสามารถแต่เป็นข้อแม้ทางความดี แมนครับไม่เข้าใจครับเช้นยังไงเรแล้ ว, ว้ครับไหนตบวงจรยังไง แล้วไม่รับใช่ไหมฮอ๋อแคนั้นดีครับนั้นดีอ๋อหมายถึงว่าถวายแล้วไม่รับถวายแล้วไม่รับหรือไปถือวัดบางอย่างก็เรียกว่าไม่มีสิทธิที่จะถวายเลยเจริภะทัพเพราะมันคนถวายก็ก็ไม่ได้ไม่ได้บุญที่สําเร็จเต็มองของบุญยกริยานั้นๆเจริภะทัพอย่างเช่นององทานสังขอย่างวัตถุบริสุทธิ์และเจตนาบริสุทธิ์แล้ว ผู้รับบริสุทธิ์แต่ผู้รับเขื่เน็มไม่รับก็ไม่ครบทำให้บุญไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คงจะอย่างนั้นใช่ไหมครับที่ว่าพระบคงจบ <c oughs> แต่ก็เลยสรุปว่าหากว่าใครๆแต่พระปฏิเจกไล่ลงมาเลยนะครับจนถึงสัตย์เดชานเป็นที่สุด ที่เสมอพระพุทธเจ้าได้ฝีสมาธิปัญญาไม่มีก็ต้องไม่กล่าวว่าทานที่ถาวายท่านไม่มีผลมากอันนี้ข้อสี่ก็บอกว่าพระผู้มีพระภิกษตรัสว่านี่เป็นพุทธพจน์ยืนยันเลยนะครับเกีย่ยวเรื่องความเป็นอาหุเนยโยว่าในโลกนี้ก็ตามโลกอื่นก็ตามแต่ว่าโลกนี้โลกอื่นหมายถึงโลกมนุษย์นี้ โลกมนุษย์นี้มนุษย์ส ก, กตินี้ในโลกอื่น <c oughs> ถึงหมายถึงโลกเทวดาหรืออุตรากรุทวีอัมระโคยานะปุภาวิเทหะ <c oughs> ไม่มีใครที่จะเสมอพระู้จากแต่ในโวหารอื่นก็ไม่มีคู่ที่จะสัะเสิ์ดกว่า หรือจะทัดเทียมกับพระพุทธเจ้า <c oughs> <c oughs> ผู้ถึงแล้วซึ่งความเป็นยอดแห่งอาวุเนยยากบุคคลของหมู่ชนผู้มีความต้องการบุญแสวงหาผลใหญ่ผลไปบุญ <c oughs> ดังนี้เป็นสูตร ม, มีจริงมิจร <c oughs> ิงนี่ก็เป็นคำยืนยันที่ชัดเจนก็เกิดประวารีก็ยอมรับเองครับว่า นี่เป็นพุทธพจน์ยืนยันว่าท่านเนี่ยเป็นยอดแห่งเอาอาวุเนยญาบบุคคลที่ใครยาวของนำมาถวายท่านอย่างเกิดบุญใหญ่ไปศาลที่ก็นกับประสดร้องกันกับทักคินเนยะวีภังกสูตรที่ได้กล่าวมาปราวัติก็ยอมรับบหมือทยก็เป็นอันว่าตรงนี้สิ้นสุดปัญหาการเพียงเท่านี้ เราก็จะต่อปัญหาที่ห้าตัดไปนะครับในเอกสารชุดใหม่เกิดปัญหาอะไรไหมล่ะครับ <c oughs> ในเอกสารชุดต่อไปปัญหาที่ห้านั้นเรื่องคันธชาติกระถาเป็นแปลว่าเรื่องของหอมคําว่าคันธชาติยึดคําว่าชาติซึ่งบางทีม ใช่ไม่ได้หมายถึงการเกิดอย่างการเยืนไปตไดเกิดนี่นะครับอย่างเช่นใช้เรียกว่าคุณชาติใช้เรียกว่าธรรมชาตินี่ไม่ใช่นะถ้ะาใครจะมาเรียกกันเองแต่ใช้เรียกคันชาติใช้เรียกปรินิชาตอะไรพวกนี้นะฮะจะใช้คําว่าชาติแล้วก็อีกหลา ย, ลายอย่างด้วยกันที่ใช้คําว่าชาติเป็นคําหลัง อย่างเช่นเครื่องกําเนิดกลิ่นกลิ่นทั้งหลายเนี่ยหรือบ่อเกิดของกลิ่นกลิ่นสิ่งที่เป็นบ่อเกิดของกลิ่นท่านเรียกว่ากันกระจายอย่างเช่นน้าหอมนี่ก็เป็นการกระจายเราะเป็นแดงเกิดของกลิ่นหรือเป็นสิ่งที่เป็นบ่อเกิดของกลิ่นของกลิ่นเหมือนที่เราพูดที่ดวงอาทิตย์เราเป็นบ่อเกิดของแสงนาเป็นบ่อเกิดของข้าถ้าจะปูกตับเรียกเป็นกระาบบลีด้วยก็เรียกว่า เป็นสุริยชาติอะไรสุรีชาติอะไรอย่างนี้เป็นประดาษก็เป็นบอกเกิดข อ, อของสิ่งนั้นๆตามลักษณะของสิ่งนั้นๆหรือรัตนาชาติรัตนาชาตัน แ, แปลว่ า, าความปลื้มใจสิ่งที่เป็นบอกเกิดของความปลื้มใจเนียกว่ารัตนาชาติรัตนาชาติจริงหมายถึงเกสินจินดาจริงไหมละครับ เพชมีจินดาเนี่ยมันเป็นเครื่องที่ชวว่วยกั้งใจ